มันพวกเราเนี่ยพอไปนั่งฝึกเจโตรธรรมะแรกๆพอไปได้เนี่ยเดียสักพักหนึ่งเอาละเริ่มละเริ่มละ เ, เริ่มลงบาดาเพราะตอนแรกจิตมันปรุงเนี่ยสมมติจิตมันปรุงเนี่ยมันจะมันปรุงมันจะฟุ้งใช่ไหมมันจะขยับขึ้นมาตรงนี้แต่เราพอเราฝึกเนี่ยเราก็ให้จิตเราอยู่กับกบสินพออยู่กับกสินเนี่ยจิตมันก็ลดการปรุงลดการฟุง้งมันก็จะมาเกาะอยู่ที่กสินแต่พอมันเกาะอยู่ที่กสินปั๊บคราวนี้ มือเราไม่ค่อยเหนียวนะเกาะไม่ค่อยติดกระสินทเท่าไหร่น่ามันจะปล่อยเลยลงมาคือมันจะไม่ปรุงอะไรเลยคือจิตเนี่ยแม้ไปเกาะที่กสินก็ยังจะไม่ยอมเกาะเลยมันก็จะลงมาขาวนี้เริ่มลงบาดาลแล้วเป็นพญานาคเนี่ยที่เราเรียกว่าพญานาคคือลงบาดาลไปอยู่นากคกับพิภพนะพิภพนาคเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยคราวนี้ก็จะหลับ อ๋อต้องให้ผู้เจ้าเกิดนั่นแหละมาห น, นักขึ้นจะตื่นมาครั้งหนึ่ง น, นี่ตามตามพระไตรปิฎกซึ่งซึ่งบอกแล้วถ้าเป็นธรรมมาทิฏฐานเข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นธรรมมาทิฏฐานพุทธะแปลว่าอะไรอะ่ะผู้รู้ผู้ตื่นใช่ไหมผู้เบิกบานใช่ไหมดูนะถ้าคุณอยากจะตื่นขึ้นมาให้ได้เนี่ยคุณอยากจะ แก่ถีนามิธาเนี่ยคุณต้องเอาพุทธะเข้าไปเป็นผู้รู้ก็คือคุณต้องปรุงขึ้นมานั่นเองคุณต้องปรุงคุณต้องพิจารณาขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีโดยตรงเลยนะที่จะแก้จิตถีนามิธะจิตที่ง่วงเพราะงั้นแค่คุณปรุงคุณพยายามปรุงให้เป็นผู้รู้เนี่ยแหละรู้วันนั่นรู้วันนีน่ปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยความง่วงคุณจะเริ่มหายจะเริ่มลดลงทันทีถ้าคุณปรุงขึ้นมาสําเร็จนะอ่า แต่พอปรุงสําเร็จเน่ยอย่าปรุงเกินไงนนถ้าคุณปรุงเกินกับฟุง้งนะครานี้ก็ไปเป็นพยากรุดนะัะกี้เป็นพยานัากเสียก็ไปเป็นพยากุดเพราะันบางคนเนี่ยชอบเป็นอยู่สองพยานเนี่ยคือไม่เป็นพยากรุดก็เป็นพญานาคเป็นอยู่สองอย่างเนี่ยเออเพราะฉะนั้นระวังเนี่ยเพราะันเป็นผู้รู้เนี่ยคือปรุงพยายามตั้งจิตปรุงขึ้นมาถ้าคุณปรุงขึ้นมามันจะหาย เนี่ยมันจะตื่นถ้าคุณปรุงแล้วมันจะตื่นเพราะพอคุณปรุงปับ๊บมันจะตื่นพอคุณตื่นแล้วคุณจะเบิกบาน <c oughs> คุณตื่นแล้วคุณจะเบิกบานมันจะโพรงขึ้นมาเนี่ยมันจะหายจากถีนมิทะเพราะนั้นเนี่ยธรรมาธิฐานเนี่ยเขาหมายความว่าอย่างนี้เพราะถ้าเราเข้าใจได้เราจะคราวนี้ขเขเ้าใจแล้วเรื่องเรื่องกามของสมขอ้อนี้แล้วในชีวิตจริงๆของคนเรา ไม่มากกว่านี้หรอกคุณมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแหละถ้าคุณปรับคุณพยายามนในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันคุณปรับคุณแก้กามสาอย่างเนี่ยไปเรื่อยๆเนียแก้ไปให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอู้วิชาสามคุณได้แน่นะแค่แค่คุณได้วิชาสามเนี่ยคุณทําได้ทุกเรื่องคุณทําไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยนะคุณบรรลุธรรมโอ้แล้วจะสบายขึ้นเลยเบาก็เลยทันทีเลย อันนี้ก็พูดพูดขนาดนึงนะส่วนจริงๆสมข้อนี้มาพูดไปเยอะมากแล้วละ่ะเพราะพวาพูดบ่อยเพ่อธรรมมาจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมากในระายละเอียดต่างๆก็พูดไปเยอะแยะมากมายแต่ที่สําคัญคืออยากให้เราเนี่ยไปพิจารณากันเองด้วยแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้อดามาย้ําตรงเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ฟังไปเป็นความรู้สเสลื่อยเลยไม่เอาไปใช้ในชีวิตจริงๆเพราะนั้นมันเลยไม่เกิดผลของความเปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นมาให้คุณเห็นได้ชัดเจนถ้าคุณไปใช้จริงๆคุณจะเห็นผลเปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้สมองใบขึ้นเดี๋ยวนี้สมองดีขึ้นนะรู้สึกฉลาดกว่าเก่าเยอะเลยเอา้าคุณปฏิบัติทำจริงๆเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ อาตมาเนี่ยต่ก่อนรู้สึกว่าตัวเองโง่ตัวเองไม่ฉลาดแม้ว่าจะเรียนหนังสือตอนเด็กๆจะมีสอบได้ที่หนึ่งบ้างก็ตามแต่พอมาศึกษาทางธรรมนะไอ ต, ตอนใหม่ๆเนี่ยพอจะมาเริ่มศึกษาทางธรรมโอ้โหรู้สึกตัวเองโง่มากเลยจริงๆรู้สึกไม่ฉลาดเลยแต่พอปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเอ๊รู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นแต่ไม่ใช่ฉลาดแบบพวกโลกนะแต่มันฉลาดในการที่ทําให้เราเนี่ย ทุกน้อยลงอ่ะฉลาดในการที่ทําให้เราเนี่ยเอออารมณ์ก็ดีขึ้นสบายขึ้นจิตใจแล้วก็แจ่มใสขึ้นกว่าเดิมไม่ไปเคร่งเครียดไม่ไปวิตกกังวลไม่ไปกลัวโน่นกลัวนี่อะไรนักละเนี่ยมันรู้สึกฉลาดพวกนี้ขึ้นมาฉลาดในทางแบบโลกุกตละเนี่ยมากขึ้นนะไอฉลาดแบบโลกิยะอันนั้นเราเรารู้สึกเราเราโง่มากขึ้นนะในในเรื่องของโลกียะเพราะอันนั้นต้องอาศัยโลกกับวิถู คือต้องอาศัยไปไปศึกษาโลกไปรู้โลกเราถึงจะฉลาดอย่างนั้นได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราจะฉลาดในทาง EQ เนี่ยฉลาดในการรักษาอารมณ์จิตเราเนี่ยได้สูงขึ้นส่วน IQ แบบอุ้ยทําให้นุ่นเก่งทำให้อะไรเก่งในทางโลกโลกเราไม่ฉลาดขึ้นหรอกเพราะอันนั้นมันต้องต้องไปมีประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆมันถึงจะได้มา แต่ถึงเราไม่ได้อย่างนั้นมาเอา้าเราสบายอะแต่ก่อนนี้พอไปเจอใครเงี้ยเอา้าเอาเรื่องของกางนี่ยแหละแต่ก่อนนี้เราไปเจอใครที่เราสนใจเรารักเราชอบโอ้โหมันอดไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกอะนะบางทีก็ต้องพยายามตามรู้ตา ม, ตามถามให้ได้ไม่กล้าถามาตัวตัวตรงก็ไปเที่ยวถามคน อ, อื่นว่าเนี่ยเี่ย่ใครอยู่ที่ไหนยังไงอะต้องพยายามจะรู้ให้ได้ อพอรู้เสร็จก็คราวนี้ก็มันพยายามไปเดินผ่านอยู่เรื่อยๆโอ้หมันทุกข์มากนะมันเสียเวลาทรมานทุรกรรมตัวเราเสร็จแล้วยังไงคราวนี้ก็ต้องพยายามหาทางคุยด้วยให้ได้ใช่ไหมละ่ะมันอย่างนีง้มันจะไปเรื่อยไปเรื่อยเพิ่มดีกรีเข้าไปเรื่อยๆแ ต, แต่แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้พอเอ้คนนี้น่าสนใจดีนะแต่ช่างหัวเองเหอะ ไมเห็นจะต้องไปยุ่งเมเห็นจะต้องไปอะไรอะ่ะจะต้องไปตามรู้ตามเห็นอะไรเลยเออคือคือคือมันจะมีวิธีวิปัสสนามีวิธีอะไรเนี่ยมาตัดใจเราได้ง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่สิ่งเราเนี่ยต้องฝึกขึ้นมาไงคุณถึงจะได้แต่ก่อนนี่อาตมาเองเนี่ยนะบอกตรงๆเลยเคยนึก อยู่ในใจโดยเองจริงๆว่ากิเลสการมมาตำหาเนี่ยไม่มีทางล้างทิ้งได้ไม่มีทางเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าไม่มีทางพูดง่ายว่าเรื่องผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันไม่เสพเมทุนกันหรือจะไม่แต่งงานแต่งการมีครอบครัวเนี่ยไม่มีทางเกิดเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วต้องยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้หรือว่าต้องแต่งงานต้องมีครอบครัว แม้จะไม่มีลูกก็ตามนะแต่ต้องยุ่งเกี่ยว น, นี้เพราะเราไปคิดอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติสัตว์โลกทุกชนิดจะต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหมันไปสร้างอันนี้ปากไว้ในหัวเราเลยเพราะนั้นพ่อท่านถึงพยายามใช้ว่านี่แหละเราถึงอยู่เนือธรรมชาติคนอยู่เหนือธรรมชาติได้คนไม่จำเป็นว่าต้องเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดว่าเพราะว่าเรานิยมธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ชอบกินอาหารธรรมชาติชอบไม่ต้องมีสารเคมีอ้าวเราเผลอๆนะเราก็เลยจะเอาแต่ธรรมชาติเท่นี้ธรรมชาติคนมันมีความต้องการมีกิเลสตัณหาพวกนี้มันก็ต้องไปมีคู่สิอ่าวเผลอๆก็ชอบธรรมชาติไปเลยอย่างนั้นเพราะไม่ใช่จริงๆแล้วเราเนี่ยศาสนาพุทธ เหนือธรรมชาติถ้าพระพุทธเจ้าท่านใช้คาว่าเหนือโลกเราไม่ใช่เป็นไปอย่างโลกแต่เราอยู่เหนือโลกนั้นก็คือเหนือธรรมชาติรัานพ่อท่านเนี่ยจะพยายามพูดคานี้บ่อยเพราะธรรมชาติอันนี้เนี่ยฝังหัวเรามาหลายร้อยหลายพันชาติจนกระทั่งหัวล้างทิ้งสลัดให้หลุดนี่ยากมากมากเลยทุกวันนี้ขนาดตัวอาตมาเองเนี่ย ไอ้สัญญาพวกเนี้แต่มาว่าแมมันยังฝังอยู่ในหัวอยู่เลยนะอย่าเผล่นะคุณอย่าเผล่นะเผลอเดี๋ยวมันมันจะมาเล่นงานอีกล้ต้องพยายามอย่ามีสีแล้วคอยรู้ว่าอ้าวมาอีกแล้วเองมาอีกแล้วนะมั้งรู้เราก็อาละจับไม่ให้ทันแล้วก็รีบจัดการรีบร้างมันทิ้งจะต้องอย่างเนี้ยเสมอเสมอจนกระทั่งนะคุณอย่าคิดว่า สัญญามันจะหมดนะสัญญาเนี่ยมันไม่หมดความทรงจำที่เราเคยมีอยู่เนี่ยไอ้เรื่องคู่โผลวตัวเมียอะไรพวกนี้ต่อให้เป็นพระอาหารสัญญาก็ยังอยู่มันยังอยู่นะคุณอย่าลึกว่ามันมันไม่มีนะไม่ใช่หมพอเป็นพระอาหารแล้วนี่ก็หัวสมองว่างเปล่าหมดเลยนะข้อมูลทั้งหลายแหลก็แห้งหมดเลยอะคือคือหายหมดมันไม่หายนะมันอยู่นะมันยังอยู่ เพียงแต่ว่ามันอยู่แบบทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะเราไม่ปรุงแล้วเราก็เห็นทั่วเห็นัยมันเพราะนั้นต่อให้มันโผล่ขึ้นมาทำอะไรเราไม่ได้เลยถึงมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นสัญญาโผล่ขึ้นมาเนี่ยแต่เราไม่ไปปรุงไม่ไปพิจารณาไม่อะไรเลยเพราะมันไม่ต้องมาพิจารณาอีกแล้วไม่ต้องมาวนอีกแล้วเราจบแล้วมันวนมาหลายร้อยรอบแล้วหลายหลายพันรอบแล้ว จนเราจบเราเห็นทุกโทษภัยมันชัดเจนแล้วจนกระทั่งล้างมันไปได้ได้ถูกเนื้อถูกตัวแล้วมันโผล่ขึ้นมาอีกก็ไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยด้วยยานด้วยปัญญาด้วยความรู้เพราะฉะนั้นคุณอย่านึกว่ามันไม่โผล่มานะเพราะฉะนั้นมันโผล่มาอยู่ตลอดล่ะคุณถ้าคุณไม่บ้าใบคุณไม่สมองเสื่อมแล้วเออมันโผล่มาตลอด เพราะถ้าคุณแยกแยะได้คราวนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นการมาสัญญาในเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเป็นการมาสัญญาในเรื่องของอาหารเป็นการมาสัญญาในเรื่องของการหลับนอนก็ตามซึ่งเรื่องนอนนี่โหยิ่งยากเลยเลยทุกวันนี้อาตมายังแหมยังรู้สึกตัวเองทําได้ไม่ค่อยดีเลยเรื่องของการหลับนอนเพราะสัญญาเรื่องของการหลับนอ น, นมันยังฝังหัวอยู่มาก ว่าอย่างน้อยต้องนอนเท่านี้ชั่วโมงนะต้องพักให้พอต้องอย่างนั้นอย่างนี้แหมมันยังสัญญาอยู่ในหัวพวกนี้มากต้องพยายามล้างพวกนี้ให้ออกถ้าล้างพวกนี้ออกเนี่ยบอกว่าคาว่าล้างทิ้งล้างออกเนี่ยสัญญายัางอยู่ยังจําได้ว่าเขาบอกว่าคนเราควรนอนเท่านี้ชั่วโมงนอนแล้วก็ควรจะหลับให้สนิทนะ อย่าฟุ้งอย่าไปอะไรอ่ะฝันหรือว่าอย่าไปอะไรหลับปีเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยออถ้าเกิดหลับแล้วมีสติอยู่มันเหมือนไม่นอน <c oughs> เนี่ยสัญญาพวกนี้มันยังแหมมันเลยทำให้พอไปนอนแบบมีสติมันเลยจะยิดคิดว่าไม่ค่อยได้นอน <c oughs> เนี่ยมันยังล่างไม่ค่อยออกเอ จริงๆแล้วถึงบอกว่าเราหลับอยู่เนี่ยเรามีสติได้แล้วก็พักได้อิ่มด้วยพักได้ดีด้วยขอให้คุณล้างอุปทานนี้ออกให้ได้เถอะถ้าคุณล้างได้จริงๆแล้วคุณจะไม่มาง่วงอ่ะไม่มาเพียไอ้กลางวันนะเพราะไอ้อำนาจของความง่วงความเพียรเนี่ยบางทีไม่ใช่เอาเราไปนอนแล้ว เ, เราพักไม่พออะไรไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นจิตเรานี่จิตเราที่ยังมีอุปทานพวกเนี้อยู่ มันก็มาสะกดจิตคุณอยู่เรื่อยเลยบอกว่าพักไม่พอพักไม่พอเมื่อคืนนี้นอนแล้วปุงไว้นั่นปุงอะไนี้พักไม่พอทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเราหลับอยู่มันก็ปรุงมันอยู่แล้วอ่ะแต่คุณไม่รู้ตัวนัเองคุณไม่รู้ตัวว่าปรุงพอเราไม่รู้ตัวว่าปุงเราก็เลยไม่มีอุปท า, านใช่ไหมว่าเมื่อคืนนี้เราหลับไม่สนิท <c oughs> ทั้งทั้งที่จริงหลิัก จ, จิตคุณหลับเนี่ยมันปุงนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เออ นี่แหละนเพราะนถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราโอ้โหไปฝึก3อย่างนี้นะรายละเอียดของทั้ง3อย่างนี้มันยังยังจะมีปีกย่อยอะไรไปอีกเยอะนะแต่อันนี้ต่อปัญหาเนี่ยควบคู่กันไปที่เหลือเศษปัญหาอยู่2แผน่นแะล้วก็หวังว่าถ้าไปลองปฏิบัติดูแล้วมันยัง ไม่เข้าใจอะไรหรือเรายังรู้สึกว่าทำไมทำแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยคิดว่ามาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังกันก็นแล้วกันจะพยายามอธิบายอีกเพราะอันนี้เนี่ยมันพูดไปโดยวิธีการพูดไปโดยระบบได้เท่านั้นเองแต่ความจริงแต่ละคนเนี่ยศักยะก็ไม่เหมือนกันาบรารมีแต่ละคนก็ไม่เท่ากันการปฏิบัติหรือการทาได้นี่ก็เลยออกมา ไม่เป็นรูปรอยเดียวกันหรอกต่างคนก็ต่างได้บางคนทำบับโอง่ายทำได้เลยไม่ใช่สักยายของเขาแต่อีกคนหนึ่งโหศักยะของเขาบางคนนี่เรื่องนอนเฮ้ยไม่เท่าไหรอ่อ่ะรู้สึกว่าเขาทำง่ายนะเขากลับไปมีปัญหาเรื่องข้อที่หนึ่งคือเรื่องการผู้ชายผู้หญิงเอา้าเพราะเขามีสักยายตัวนี้อยู่ที่ผู้ชายผู้หญิงตอนนี้ แต่พออีกคนหนึ่งเรื่องผู้ชายผู้หญิงไม่ค่อยไปใส่ใจไม่ค่อยไปสนใจไม่ค่อยมารบกวนอะไรอ่นะเรื่องนอนก็ไม่เท่าไรเรื่องกินหนักอย่างนี้โหสักยะเรื่องกินหนักอัคนนี้ก็เลยแบบโอโ้โหหนักเหลือเกินพอเรื่องกินนี่แพ้อยู่เรื่อยพยายามจะสู้ก็รู้สึกสู้ไม่ค่อยไหวเลยสู้ไม่ค่อยได้เลย เพราะอันเนี้ยเ น, นี่ยจะต้องมาพูดเป็นเฉพาะลายละเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ศึกษารายละเอียดของตัวเราเองแล้วก็ปรับสู้ปรับแก้ปรับใช้ไปเรื่อยๆคุณพยายามทาําไปบ่อยๆอะการรู้ได้โดยตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่สู้เท่านั้นน่ยถึงจะรู้ว่าเออไอ้ที่เราแพ้มาเนี่ยมันพ่ออะไรยังไง เดี๋ยวข่าวน่าจะสู้ต่อไปควรจะสู้ยังไงที่มันจะทำให้มีประตูที่จะชนะได้บา้างเพราะฉะนั้นคนที่ต้องสู้ด้วยตัวเองคนที่สู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะรู้ผลงานของตั ว, ตวเองรู้ทางหนีทีไล่ข้บไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีใครอยากแพ้ทุกคนสู้แล้วก็อยากชนะทุกคนเพราะฉะนั้นคนไหนเนี่ยยิ่งสู้อยู่เรื่อยยิ่งสู้อยู่เรื่อยโง่ยังไงก็ตามนะมันก็ต้องฉลาดขึ้น ไอคนนั้นจะโง่ยังไงก็ตามเพราะถ้าคุณเขินสู้ทีไรนะสมมตินะพอไปสู้ทีไรมันเบิร์ดหัวคุณทุกทีไปสู้ทีไรมันเบิร์ดหัวคุณทุกทีรับรองอะคุณเดินไปสิบครั้งหรือคุณเดินไปร้อยครั้งเนี่ยวันหลังคุณเริ่มจะหัวกดแล้ใช่ไหมเพื่อที่มันจะได้เบิร์ดไม่ถูกหัวเรารับรองจะโง่ยังไงก็ตามฮะมันก็จะต้องฉลาดขึ้นจนได้อะเออเพราะความสําคัญเนี่ยอมามักจะพูดว่าแพ้ชนะไม่ได้สําคัญนะ สำคัญตรงว่าคุณหยุดสู้แล้วหรื อ, อยังเดลมาจะย้ำตรงนี้อยู่เรื่อยเลยถ้าตราบใดคุณไม่หยุดสู้นะคุณยังสู้อยู่เรื่อยแพ้กี่ครั้งกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคุณยังสู้สู้สู้สรับรองได้เลยคุณต้องชนะในที่สุดรับรองได้นะขอเพียงว่าสู้เถอะนะอย่าไปยอมแพ้แล้วก็อย่าไปท้อถอย นะถ้าท้อถอยแล้วคุณหมดกําลังใจแล้วคุณจะเลิกสู้คุณจะหยุดสู้หรือบางคนก็บอกว่ายังไม่เลิกสู้หรอกแต่แต่ขอพักยาวหน่อยแหมพักเป็นปีเลยบางคนนะโหคื อ, อยังไง ร, รู้ไหมพอตั้งตาบาเสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยตั้งใหม่นะคะโอ้โหแหมเอาบางทีเข้าพรรษานะสาเดือนใช่ไหมตั้งใช่ไหม พอออกพรรษาเสร็จเลือกตั้งเลยไงแล้วก็บอกปีหน้านะคะค่อยมาตั้งใหม่แล้วไอ้เก้าเดือนเนี่ยก็อยู่กับกิเลสก็ปล่อยให้แพ้กิเลสไปเก้าเดือนเสร็จแล้วอีกสมเดือนเข้าวรรษาค่อยมาตั้งสู้ผู้ทมันจะไปรอดอะไรมันไม่รอดหรอกน้ามันห่างเกินไปเหมือนกับคนมาถามว่าเนี่ยจะถือว่ากินกี่มื้อเนี่ยพอกินกินกินไปแล้วมันมีทุระก็เลย นุ่นหายไปสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับมากินต่อเข <c oughs> าก็ถามว่าอย่างเงี้ยมันถือว่ากี่มือ้ออ่ะอาตมาบอกถ้าคุณหายไปยาวเกินอย่างเงี้ยมันต้องถือว่าไปอีกมื้อแล้วต้องตัดรอบเ <c oughs> ออไม่อย่างงั้นนะเดี๋ยว ท, ท, ทยํา ไ, ทไปอะไรนะทําทําไปยังไงทําไปกินกินไปได้หน่อยเนี่ยกินไปได้หน่อยเสร็จใช่ไหม หายไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวมากินต่อกินไม่ได้หน่อยหายไปอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงมากินเนี่ยเดี๋ยววันนั้นเลยเป็นสิบผลยี่สิบผ ล, บผลกว่าจะหมดชามโอ้โหไออย่างนี้มื้อเดียวตลอดวันใช่แล้วมันไม่ได้เราต้องมีเย็นขึ้นมาขนาดหนึ่งนะซึ่งอันนี้เราจะต้องเข้าใจไอที่เราบอกว่าบางทีเนี่ยเออมันยังมันเรายังไม่ได้หยุดกินนะเรายังต้องการจะกิน เพื่อที่ให้มันเพียงพอเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะไม่มีแล้อาจจะต้องไปเอาตรงวุ้นมากินอย่างเงี้ยเอาก็เดินไปเอาไปเอาไปตักมาแล้วก็มานั่งกินอะไรพวกนี้เวลามันไม่ห่างไกลอะไรนักใช่ไหมหรือบางทีพวกเราขายของเอาอยู่ชอปมารอบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเอากินไปก็ตักไปบางทีก็ต้องไปขายอันนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะหยุดกินอะไรเลยเราต้องการกินจนเสร็จแหละแต่ตอนนี้มันจําเป็นเอาไปสนะักพักหนึ่ง ใช่ซึ่งมันไม่ยาวนานอะไรอ่แล้วขายเสร็จเราก็มากินต่อแต่ไม่ใช่พอคุณไปขายเสร็จคุณก็หายยาวไปเป็นไม่รู้กี่ชั่วโมงคุณค่อยมากินต่อไอ้อย่างนี้อาตมาว่าอย่าเพิ่งไปกินมันเลยรอให้ขายให้มันจบจบแล้วค่อยมากินดีกว่าเออก็ฝึกเลยแทนที่จะไปกินมือนั้นตอนนั้นกน็ไปกินมือตอนสายๆมันไปเลยดีกว่า เออคุณก็จะได้กินมือเดียวที่มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมานะจะได้ไม่เสียอ่เหมือนพอพิชัยเ้าเคยฝึกอ่ะกินตอนกี่ทุ่มกี่ยามเขาก็ไม่รู้เออตีสามหรือเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเขาหักกินเน่ยเออเขาฝึกเนี่ยฝึกล้างอุปท า, านต้องกินเวลานั้นต้องกินเวลานี้ฝึกล้างอุปท า, าน กินตอนไหนก็ได้ยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยกินไปแล้วก็ถือว่ามื้อเดียวจบนอกเวลานั้นแล้วก็ไม่กินเล่นกินหัวอะไรนี่คนนี้ก็ถือว่ามื้อเดียวได้บริสุทธิ์บริบูรณนะ์นะนะเอาอันนี้ฝากเอาไว้นะอาจจะพูดเป็นวิชาการหรือว่าอะไรหน่อยนะแต่ผลเนี่ยคิดว่าถ้าพวกเราฟังเข้าใจจะเกิดผลในการปฏิบัติกับพวกเราได้สูงขึ้น นะละการฟังธรรมนั่นน่ะมันถึงจะเข้าถึงเนื้อนะหรือว่าเข้าถึงแก่นที่จะทําให้เราเนี่ยไปพัฒนาตัวเราเอ ง, เองให้สูงขึ้นคุณอย่าฟังธรรมแบบฟังนักร้องร้องเพลงให้ฟังแค่มาฟังธรรมแล้วสบายใจเดี๋ยวไปนอนหลับสบายนะเป็นธรรมะ ก, ก่อนนอนเอิตไม่ใช่ธรรมะ ก, กล่อมนอน แล้วก็เดี๋ยวไปหลับพรุ่งนี้ตื่นมาก็ทําอะไรตามเรื่องดําราวคูนอีกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวพอก่อนนอนก็มาฟังธรรมะกล่อมนอนแล้วก็ไปนอนแล้วพรุ่งนี้มาใหม่เออคือไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปเพื่อปฏิบัติอะไรเลยโอ้โหมันจะได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรด้วยไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นันนี้ฝากไว้กับพวกเราด้วยทุกคนแล้วกันอะวันนี้คงพอเพียงแค่นี้นน